เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องสมบัติของพระพวกเราก็เหมือนกันเห็นสวยๆงามๆปากแดงๆนั่นของกู เวลาตายเน่าเละแล้วไม่มีใครบอกว่าไอเละๆน่ะของกูทุกคนรีบแบกไปวัดบอกว่านี่เป็นของพระนี่มนรับไปเลยเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าอันความจริงตัวกูไม่ได้มีพอมีงโง่ผีมันโผล่ขึ้นมาได้ พอหายโง่ตัวกูก็หายไปพองพโง่ใหม่โผล่ใหม่ได้ทุกที